พระปราชญพระมาหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบป่าพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระรุทราชญ์เรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระปรชาชญ์นี้ตัวผู้สอนผู้บอกก็เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์คือตัวพระปรชาชญ์ของท่านเองตัวธรรมะที่นํามาบอกสอนนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วใครที่เอามาปฏิบัติเอามาใช้งานก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมาถึงจุดที่เรียกว่าสามอย่างนี้แหละรียกว่าเป็นรัตนตรยัยเป็นสิ่งที่สาคัญที่เมื่อเราเอามาใช้งานการใช้งานในรัตนตรัยเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความกังวลในเรื่องใดๆ เราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานการใช้งานนี้ก็คือการเอามาพึ่งนั่นเองคําว่าพึ่งคําว่าการระลึกถึงนั่นก็มีความหมายคล้ายๆกันเต็มวั ง, งพระเจ้าเคยยกตัวอย่างของลูกบัวที่ยังไม่หย่านมแม่เนี่ยเจอเรื่องอะไรที่มันขัดเคืองไม่พอใจน่ากลัวตกใจต่างๆวิ่งเข้าหาแม่ก่อนมีแม่เป็นที่ระลึกถึงมีแม่เป็นที่พึ่งมีแม่เป็นที่ต้านทาน แต่คนก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะวัวเด็กน้อยอายุที่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยังไม่รู้เรียงสาอะไรก็ฮ่อนแม่เรื่อยหาแม่เรื่อยเพราะว่ามีแม่เป็นที่พึ่งมีแม่เป็นที่ระลึกถึงมีแม่เป็นที่ต้านทานอย่างนี้นั่นคือลักษณะของเด็กนะเด็กเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรียงสาแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ไปไหนก็ไปได้สบายใจแต่อาจจะมีง ง, ง ไม่รู้ตรงนั้นบ้างเข้าใจผิดบ้างโกรธบ้างขัดเคืองบ้างอะไรต่างเหล่านี้ก็จะมีเวลาที่เรามีจิตใจในลักษณะนั้นเนี่ยก็เป็นจิตใจลักษณะที่มีความประยชน์แต่มีความเสพผิดดิ้นรนบ้างอะไรบ้างและซึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่มีที่ไปที่ดีเนี่ยพอประยชน์แล้วมันก็จะวิ่งบุนไปทั่วล่วละไปได้ทุกที่ทําความบาปความไม่ดี จะเลยเถอดไปถึงนรกเกิดแต่ลาติเปิดวิสัยได้นั้นจึงต้องมีที่เรียกว่าผูกจิตเอาไว้ไม่ให้มันพยศมากเกินไปเพราะว่าพยศมากแล้วหนึ่ไปนรกได้ไอ้ที่พึ่งที่เราจะมาผูกจิตที่พึ่งที่เราจะมาอาศัยเป็นที่ต้านทานอาศัยเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ที่จะกําจัดความพยศความเผ็ดร้อนของจิตเรานั้นได้ที่ตรงนี้ต้องมั่นคงมากมีความมั่นคงมีความที่จะอาศัย เป็นที่ตั้งพอจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งในการที่จะคุ้มภัยและป้องกันจากภัยอันตรายคือความประวยชน์ความเป็นราณีพระเจ้าก็ได้พูดถึรร ง, ง, รรง เ, รเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองในหมวดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราได้กล่าวเรื่องของพระพุทธไปแล้วก็เรียว่าพูดถกคุณในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมคุณธรรมะมีคุณค่ายอย่างไรจริงๆแล้วมันมาจากคุณสมบัติของธรรมะก่อน ธรรมะที่ข้าพเจ้านํามาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยประกาศเอาไว้นั่นคือตัวข้าพเจ้านั้นไม่ได้คิดเองเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้พระเจ้าประกาศนั้นก็เป็นธรรมะที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วอาศัยการกําหนดบทเพียนชนะออกมาที่บายออกมาให้มีความรู้ความเข้าใจแต่ซึ่งคุณสมบัติของธรรมะที่พุระเจ้าบอกเอาไว้ว่าธรรมะไม่ใช่ทั่วไปนะอะไรอะไก็เป็นธรรมะหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมะ ที่พระเจ้าประกาศไว้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติแต่คุณสมบัติที่พระองค์ได้อธิบายไว้แล้วก็อย่างที่เราสวดสวดกันได้ต้องฟังแต่ใครสวดบทอิติปิโสในอิติปิโสก็พุทธคุณใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่วงกันมาก็เป็นคุณสมบัติของพระธรรมเขาก็จะว่ากันว่าสบ at e ักขาโตพระกวตาธรรมโมสันติโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปั จ, จตังเวทิตพโพวินิยุหิอันนี้คือคุณสมบัติของธรรมะนี่พูดเป็นภาษาบาลีทีนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนศวขาโตภควาดาธโมก็หมายถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประาปรกาศไว้ดีแล้วเกิดออ น, นี้ข้าพเจ้าจะแปลให้ท่านฟังฟังก่อนนะว่าคือไม่ใช่ว่ามั่วๆยกมาแต่ว่ามีพุทธพจน์เดิมที่พระเจ้ายือนอันนั้นไว้นต่ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประาปรกาศไว้ดีแล้ว ก็มาจากคำว่าสวากาโตภคบตาตามโมคําว่าสันทิติโกก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลพึงจะเห็นได้เองแต่คือถ้าผู้บรรลุแล้วจะเห็นชัดเจนนั่นคือคําว่าสันติโกคําว่าอาการลิโกคือการที่ไม่ประกอบด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาคําว่าเอหิ ป, ปัสสิโกกหมายถึงควรจะเรียกคุณอื่นมาดูควรจะเรียกคุณอื่นมาพิสูจน์ คำว่าโอบาลีโกก็เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมเข้ามาสู่ตัวส่วนคำว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิอันนี้ก็แปลว่าสิ่งที่วินยุชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตอนอันนี้คือที่เขาแปลกันมานมาจากบาลีดั้งเดิมเราจะรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ให้เป็นลักษณะที่เป็นงูพิษคือถ้าเป็นงูพิกก็คือหมายถึงว่าเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เอาความรู้นั้นไปทิ่มแทงคนอื่นก็ ไปเถียนกันว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้จะจะรู้อย่างไรไม่ให้เป็นงูพิษในลักษณะนั้นก็มาทําความเข้าใจตีละข้อทั้งฟังคือตัวแม่บทที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้เนี่ยมีความลึกซึ้งในบทเปลี่ยนชนะมากเอาอย่างคแรกที่บอกว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระเจ้าเนี่ยประกาศธรรมะเนี่ยหมายถึงแสดงธรรมเนี่ยนะคือต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากในการที่จะค้นพบ เอาลองผิดก่อนรลองผิดลองไงโห้จำบุฟังเลยเนี่ยทุกรกิริยาเห็นไหมท้องจนถึงหลังเนี่ยคือแผ่นท้องเนี่ยติดกับกระดูกสันหลังจะเอามือจับท้องก็ถูกกระดูกสันหลังไปด้วยเนี่ยคือลองผิดมาก่อนลองผิดทั้งสองทางทั้งการที่ทรมานตัวเองให้ลําบากการที่ชุ่มอยู่ด้วยกามอันนี้คือจุดที่1 น, นะว่าพระเจ้าเนี่ยผ่านการคิดค้นไกล้ครวนไตรตรองมาก่อนด้วยการที่ลองผิด แล้วก็มาลองถูกการมาลองถูกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลยก็ต้องลองถูกชนิดที่เรียกว่ายังไม่ชํานาญการทําสมาธิในขั้นต่างๆก่อนจะมาถึงการทําสมาธิได้เราก็ต้องรักษาศีลมาก่อนในมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาและไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูลแต่ว่าได้ทําเองจริงๆคือไม่ใช่เฉพาะรู้ในตําราหรือว่าหรือว่าแค่นั่งนึกคิดเอาแต่แต่ว่าทำด้วยจิตด้วย เพรนการที่ตัวเองเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทําได้ด้วยแต่ทำได้ด้วยเราก็บอกได้ด้วยก็คือมีทั้งปริยัตแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของตัวเองเรายังสามารถบอกสอนได้อันนี้เป็นความดีในข้อที่1แต่ความดีในข้อที่1นที่ว่าตัวปรุงเนี่ยทำมาแล้วอย่างดี่ปฏิบัติแล้วอย่างดีลองผิดลองถูกมาแล้วคิดค้นมาแล้วไม่ได้คิดเฉยๆแล้วบอกเฉยเแต่ว่าทําได้ด้วยอนี้คือความดีในข้อที่1ความดีในข้อที่1นึคือตัวผู้บอกผู้สอนนะมีคุ และที่ว่าทําได้เองเนี่ยจนกระทั่งถึงผลที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะความที่ตัวเองไม่มีราคะโทสะโมหะคือตัวผู้สอนเนี่ยตัวพระเจ้าเนี่ยอันนั้นเป็นความดีอย่างมากเพราะว่าถ้าใจิตใจของใครมีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยมันสามารถที่จะชักชวนคนอื่นไปในการร่วมปริยาผู้อื่นก็ได้ชักชวนคนอื่นในการพูดโกหกในการหลอกลวง ในการเพื่อที่จะหาลาบสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออันนี้มันทําได้ถ้าจิตใจมีราคาโตสะโมหะแต่จิตใจของผู้เช้านั้นไม่มีตรงนี้นี่คือดีข้อที่หนึ่งี่คือดีในข้อที่ผู้สอนนั้นไม่มีราคาโตสะโมหะผู้สอนนั้นจะได้คิดคนมาก่อนทํามาก่อนได้ผลด้วยอย่างถ้ามผู้ฟังลองคิดดูธรรมะทุกบททุกท้อยทุกคําทุกตอนที่เราฟังมาเนี่ย ผ่านออมาจากจิตใจของพุะุชาที่ไม่มีรักะไม่มีตัวสะไม่มีมัวผ่านการกำหนดเบิดเพียญชนะผ่านทางสมองผ่านหลืบสมองกำหนดเบิดเพียนชนะออกมาผ่านมาทางถ้อยคำทางเสียงที่เปลงออกมาจากวาจาและสั่นสะเทือนมาจนถึงเราเนี่ยมันดีตรงนี้ส่วนข้อที่ดีในข้อที่สองคือตัวธรรมะนั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สอนแล้วนต่ไม่ได้เบิดเปลี่ยนใครแต่เป็นข้อมูลที่ดี ตรงจุดที่ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นคําสอนที่ดีเป็นคําสอนที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้ปลอมนิพานแต่คําสอนตรงนี้นะแล้วคําสอนนี้มันก็เป็นไปเพื่อความสละออกเป็นไปเพื่อความคลายกําหนักบันดีตรงที่ว่าตัวมันเองอยู่ตัวมันเองเดียวๆวโดดโดดแล้วก็เป็นสิ่งดีแต่คือผู้สอนดีด้วยนนี่คือข้อที่1ตัวเองอยู่เดียวเดียวโดดโดดอยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้มีใครไปอ่านอันนั้นก็ดีเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่ถูกต้อง แต่ส่วนข้อที่3มดีในอย่างที่3ก็คือว่าคนเอาไปใช้คนที่เอาไปใช้ก็ดีด้วยคือธรรมะที่ถ้าเข้าสู่ใจของใครแล้วก็ทําคนนั้นให้ดีด้วยมันเป็นขั้นตอนแบบนี้ต้องฟังว่าหนึ่งคนคิดคน้นคนทดลองทำมาใช้แล้วคือตัวพระเจ้าเองดีผลผลิตที่ออกมาเป็นธรรมะนั้นก็ดีแล้วใครเอาธรรมะนี้เข้าสู่ใจจิตใจของคนนั้นก็จะดีตามไปด้วยดีต่อๆกันมาเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยมันต่อมาไม่ได้แก็จะไม่มีคนเก็บต่อมาแต่เพราะว่าข้อมูลที่ผ่านจากจิตใจของผุชา่าผ่านมาตั้งสมองออกมาเป็นเสียงกำหนดเป็นบทเพียงชนะนี่จากผู้ช่าคนแรกนี่นเป็นธรรมะที่ดีนี่คือข้อดีสองแล้วก็พูดที่มาเรียนมารู้ก็จําต่อต่อกันมาผ่านลืบสมองของท่านพระอานนท์ผ่านถ้อยคําของพระรุ่นต่อๆมาผ่านจํากันมามันลง อ, อ, กอักษร ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนกลัวถูกข้อเผากัฟังดินเอาไว้กลัวถูกน้ําพัดพาไปกระจำเอาไว้ขึ้นรถลงเรือมาไปทั่วโลกจำฝังมันดีตรงนี้และในยะอื่นก็ยังมีจำฝังที่พูดถึงว่าพระธรรมเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้โดยงดงามงดงามในเบื้องต้นงดงามในทถ้ำกลางงดงามในที่สุดแต่ น, นี้ก็คือหมายถึงเบื้องต้นก็หมายถึงตัวพรุทธเจ้าเอง แต่เป็นคนคิดคน้นเป็นคนค้นพบตรงนี้แต่ตรงกลางคือตัวธรร ม, มะที่เป็นสื่อแต่ก็ดีแต่ได้ผลยังไง ใ, ในที่สุดใครเอาไปใช้ก็ดีแต่มันดี3มขั้นตอนตรงนี้นอกจากนี้ระยะที่3ที่พูดถึงว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยคือตัวบทเพี่ยนชนะของพระธรรมการที่พระเจ้าจะกําหนดบทเพี่ยนชนะพูดออกมาเป็นคําพูดใดๆประกาศธรร ม, มะบัญญัติเรื่องใดขึ้นมาเนี่ย มีการกำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดทําให้การตรัสของพระองค์นี่ตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธิยานจนกระทั่งถึงคืนที่ปฏินิพพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุเนี่ยคําพูดของพระองค์จะไม่มีการขัดกันเลยทุกอย่างจะสามารถสอดรับลงกันได้ดีอย่างเต็มที่จะไปพูดไว้ที่เมืองราชกฤรุมาพูดอีกครั้งหนึ่งที่เมืองสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคา เอาไว้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะสอดคล้องลงกันรับกันไม่มีการขัดแย้งกันและไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะว่าการกําหนดบทเพียนชนะตรงนี้ดีอันนี้คือเรื่องของบทเพียนชนะหนึ่งะส่วนที่2คือเรื่องของอัตตะคือความหมายความหมายมีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าฉบับด้วยเรื่องสุญญาตาแต่บทเพียนชนะอันเดียว แ, แต่สามารถแจกแจงไปได้หลายอัตตะหลายนัยยะมีความลึกซึ้งตรงนี้อย่างกรณีของท่านพระสัจจีเนี่ย แสดงทําให้ท่านภาษารีบุตรฟังแต่ความแตกฉานในอัฏฐะได้เป็นหลายร้อยนัยยะที่เกิดขึ้นกับท่านภาษาลีบุตรก่อนบทนั้นก็เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าความแตกฉานเรื่องอัฏฐะของธรรมะเนีมีทั้งพยัญชนะด้วยมีทั้งอัฏฐะด้วยมันดีตรงนี้แล้วไอ้ธรรมะที่ดีตรงเนี้ยทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเนี่ยไม่ว่าจะแตกออกไปเป็น300เล่มพันเล่มหรือหมื่นเล่มทุวนนี้ก็มีอยู่9กเล่มละ หรือว่าถ้าคุณจะเอาเนื้อหาเน้นๆแต่จะย่อลงมาโดยคําเดียวก็มีแต่จริงๆแล้วออกมาจากเรื่องเดียวแหละออกมาจากจิตใจออกมาจากเรื่องเดียวคือใจที่มีสติแต่ออกมาเป็นสมาธาวิปัสสนาแต่ออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ออกมาเป็นเรียกมากคองแต่เข้าไปอีกเป็นโพชฌงเจ็แต่เอ้าไปตรงนั้นเป็นเรียกมากคองแต่ออกมาเป็นอริยะัจแต่ออกมาเป็นสัมปทาน4แต่ออกมาเป็นพละ5อินทรีย์5โพชฌงเจ็มรรคแมันแต่เข้าไปเรื่อยๆจำฝัง แต่มันจะขยายก็ได้จะย่อก็ได้นี่คือความงดงามของความเป็นอัตถะและความเป็นพยัญชนะซึ่งคนที่สามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยมีเฉพาะพุทธประเภทสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นนตถ้าพุทธประเภทปัจเจกพุทธะก็ไม่ได้ถ้าพุทธะประเภทอนุพุทธะก็ไม่ได้แต่คืออนุพุทธะก็คือเหล่าสาวกอย่างเราๆท่านๆเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคแต่สรู้ตามอันนี้ก็เป็นอนุพุทธะแต่จะมาสอนไม่ได้จะมาประกาศธรรมอย่างที่สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเนี่ยไม่ได้ อย่างดีมากที่สุดก็คือแค่บอกต่ออย่างที่พร ะ, ระเจ้าทำเนี่ยคือเป็นการบอกต่อธรรมะแต่ไม่ได้เป็นการสอนคนสอนมีคนเดียวในตำมหาวิา น, นัยนี้คือสัมมาสัพพุทธะพระเจคพุทธะก็มีความสามารถในการรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกต่อคนอื่นไม่สามารถที่จะบอกต่อแบบที่สัมมาสัมพุทธะบอกไว้ดีแล้วอย่างนี้ได้แต่เป็นความบริสุทธิ์เป็นความบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตพร้อมทั้งปัญญชนะ นี่คือเรียงว่าสวากาโตปะวตาธรมโคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันดีจริงๆแต่ฟังฟังแล้วดีไหมเข้าไปเช้าันดีมากๆเลยนะแล้วความดีไม่ได้หยุดแค่นี้ธรรมฟังความดีเกิดขึ้นต่อไปตรงจุดทีว่าเป็นสันทิตโกสันทิตโกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำแล้วจะเห็นได้เองทาแล้วเห็นได้เองอย่างไง เอายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาพระเจ้าบอกว่าถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยจะมีเวทนาเกิดขึ้นทุกคนที่มีผัสสะเต็มฝังก็งจะมีเวทนามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นหรือว่าคนที่ถ้าผิดศีลผิดศีลก็จะมีความร้อนใจเกิดขึ้นอันนี้คุณจะเห็นได้เองหรือในทางตรงนข้ามถ้าคุณรักษาศีลได้ คุณก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้ก็จะเห็นได้เองแต่คนที่รักษาศีลได้จะเห็นได้เองคนที่รักษาศีลไม่ได้ก็จะเห็นได้เองความเห็นได้เองตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องให้กูเดื่นมาบอกคือตัวเองเห็นประจักษ์ได้เองห้าวพระเจาบอกให้ฟังเป็นอย่างนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นไอ้การที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นเห็นเองเดี๋ยวนั้นรู้เองเดี๋ยวนั้นแต่ก็เรียกว่าสันทิติโกแันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมะหนึ่งที่สําคัญมากว่า ท่านผฟังเนี่ยสามารถรู้ได้เองอย่างเช่นว่าเรานั่งสมาธิจิตเราสงบลงไปเองเรารู้ได้ทันทีเราไม่ต้องให้คนหน่งมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่เพราะมเป็นสันิติโกคือพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นว่างกันแต่นะเป็นอะไรที่เราตรวจสอบได้ทันทีตัวอย่างในทางตรนข้ามต้องฟังสิ่งที่ไม่สามารถเห็นประจักษ์ได้ด้วยตัวเองเป็นอย่างไรแตก็มีครั้งหนึ่งที่พราหมณ์คนหนึ่งเขาไปถามพรเจ้าในเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของตัวเขาเอง นั่นก็คือพูดง่ายๆชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรมาพระเจ้าก็ไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าพรามคนนี้เขาไม่มีญาณอย่างรู้อดีตของตัวเองว่าตัวเองเคยเกิด เ, เป็นอะไรมาถ้าพระเจ้าบอกไปว่าเอา้าห้าชาติที่แล้วคุณเคยเกิดเป็นช้างตัวของผู้ที่ฟังนี่คือพราหมคนนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบคำพูดของพระเจ้านั้นได้ว่าเอ๊ะเอเอเกิดเป็นช้างจริงน่งร้อยชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นเสือ เราตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถเห็นประจักได้ตัวนี้นคือไม่เป็นสันิติโกในที่นั้นก็จึงไม่บอกอะไรเพราะว่าเป็นบทสนทนาที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้ฟังแล้วก็เออโอเคก็แล้วไงใช่ไหมอย่างนั้นมราฟังไปดูหมอดูเขาบอกว่าคุณเคยเกิดเป็นคนนั้นเคยเกิดเป็นคนนี้คุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณพิสูจน์คําพูดของเขาได้หรือไม่ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเรามีเครื่องอย่างรู้อดีตอนาคตเอเราจะไปหาหมอดูทําไมก็นั่นแหละสิ ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณสามารถเห็นได้เองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้อย่างเรื่องของนรกสวรรค์หรือว่าภพภูมิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวเลยจนกระทั่งมีสาวกที่มีความสามารถในการที่จะตรวจสอบตรงนั้นได้อจึงบัญญตนอาไว้เรื่องนรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนไปเห็นมาพระเจ้าก็จึงแยกแยะแจกแจงออกมาเป็นรายละเอียดให้รู้ให้ทราบเป็นลักษณะของธรรมะนะทาฟัง ความคมชัดความละเอียดความราบอบครอบของพระเามแีแล้วเราก็จะบอกเฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองัคือท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้อย่างนารกสวรรค์นี่ฉันยังไม่เห็นเห็นเลยฉันยังไม่เห็นรู้เลยคือความสามารถของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคือคนที่เขารู้เขาทราบก็มีคือถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติจนถึงจุดที่มีความรู้ความสามารถในระดับนั้นก็จะรู้จะทราบอา่โอสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงจรเห็นได้ด้วยตัวเองจริงๆรแต่ตรงนี้เขาจึงระบุไว้ว่า ผู้ที่บรรลุเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งเรื่องไหนที่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นเราก็ยกไว้ก่อนตรงไหนที่เรารู้ได้ทําได้ง่ายๆมันก็มีแต่ที่ชัดเจนก็มีเช่นว่าถ้าเรามีเวทนาเราก็จะมีตัณหาอย่างเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขในสิ่งนี้เราก็อยากจะได้มันมาเรามีความทุกข์มีความไม่พอใจในสิ่งนี้เราก็ไม่อยากได้มันแต่ตรงนี้เวทนาจึงเป็นเหตุเกิดของตัณหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เอง อนไนรเราเห็นได้เราปฏิบัติได้เราทําได้เราก็ปฏิบัติอันนั้นไปก่อนทําอันนั้นไปก่อนอะไรที่เรายังเห็นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ค่อยๆทาไปแต่ความลึกซึ้งของธรรมะก็จะมีค่อยมีไปอันดับที่3ก็เป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกอาการลิโกนั้นก็หมายถึงการที่ไม่ประกอบด้วยการไม่ว่าจะมีผัสสะเวลาไหนก็จะมีเวทนาเหมือนกันซึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นนี้บางครั้งก็เป็นสุขบ้างบางครั้งก็เป็นทุกข์บ้าง บางครัก็ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่เรารับรู้รับทราบผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจในมีแค่6ช่องทางพระเจ้าก็จะพูดถึงตรงนี้พระองค์ก็จะไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้ในลักษณะที่ว่าเป็นเกวียนเป็นถนนเป็นท้องฟ้าเป็นทะเลจะไม่ใช่เงินเพราะว่าเกวียนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช่ละเปลี่ยนเป็นรถยนต์เปลี่ยนเป็นเครื่องบินเปลี่ยเป็นจักรยานแต่ซึ่งสมัยก่อนไม่มีเพื่อนตาพระเจ้าบัญญัติธรรมะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้ มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้งั้นก็จะเป็นการประกอบด้วยการแต่ว่าสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกันที่ผู้เช่าบัญญัติไว้ก็าตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่คนสมัยก่อนก็มีคนสมัยปัจจุบันก็มีจะพูดถึงอีกร้อยปีพันปีข้างหน้าก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหมือนกันเพราะฉนั้นธรรมาตรงนี้จึงมีคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการคือไม่ได้ว่าจะล้าสมัยหรือว่าจะเสื่อมไปตามสมัยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาเลย คือถ้วเราจะบอกว่าธรรมะนั้นทันสมัยอยู่เสมอถ้าพูดถึงคําว่ามีการทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะต้องมีวันที่มันจะล้าสมัยได้แต่แต่ว่าธรรมะนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาเลยเอาพูด่างนั้นแต่นะเพราะว่าถ้ามันไปเกี่ยวข้องด้วยการเวลาโดยการเป็นสิ่งที่ล้ําสมัยหรือนําสมัยหรือว่าทันสมัยเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาที่มันเสื่อมไปได้ประเนึ่องเกี่ยวข้องด้วยการเวลาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาแต่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะลืมมันไป แต่คนจะลืมมันไปเพราะว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่สมัยต่อมาต่อมาสัว์นั้นมีความหนานแน่นด้วยอวิชามากถูกเร่งรัดด้วยตัณหามากธรรมะก็ถูกลืมไปธรรมะที่ถูกลืมไปนั้นก็ยังเป็นอาการลิโกอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอยู่เป็นสิ่งที่คงที่ตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอีกในย่าทีหนึ่งของคํานี้ก็คือว่าถ้าคุณทําเวลาไหนคุณได้เวลานั้นคุณทําสําเร็จถึงจุดไหนคุณบรรลุได้นะจุดนั้น พระเจ้าอย่างนี้ก็บรลุที่ใต้ต้นไม้โปธหน้าเดียวนั้นเราพระอาหารหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าเดินอยู่ทําเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนก็เวลาเดินนั่นแหละเดียวนั้นนั้นได้เดียวนั้นไม่ได้ว่าต้องรอตอนเชา้าตอนเย็นหรือเวลาไหนๆได้ๆนีนน่คือคําว่าอาการลิโกถัดมาคือเอหิปัสสิโกนั่นคือการที่ควรจะเรียกคนอื่นเข้ามาดูเข้ามาชมอย่าเวลาที่เราเรียนธรร ม, มารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ย แมเราอยากจะเรียกคนนั้นคนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังที่นี่เขามีการปฏิบัติธรรมะดีเเรียกคนอื่นมาปฏิบัติ ด, ด้วยชวนคนอื่นมาด้วยหนังสือธรรมะเล่มนี้ดีเราก็แบ่งปันให้เขาให้เขาอ่านให้เขาทําได้ปฏิบัติได้อันนี้คือลักษณะของเอฮิปัสโก่จะไม่อยากจะบอกคนทั้งโลกอยากจะแบ่งปันให้รู้ให้ทราบกันที่อยากจะเรียกคนเข้ามาดูมาชมเนี่ยคือคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราว่าสามารถแบ่งปันกันได้ไม่มีหมดคือหมายความว่าเราแบ่งเขาเราก็ไม่หมด เขาก็ได้มันยิ่งสว่างกันด้วยเหมือนการต่อเทียนแต่ถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งขนมอย่างเงี้ยคุณมีเค้กก้อนหนึ่งคุณแบ่งให้เขาหนึ่งใน4ี่คุณก็เหลือแค่3าใน4ของตัวเราก็ลดลงแต่การที่ลดลงเนี่ยทำให้ไม่อยากแบ่งเพราะคุณอื่นได้ฉันลดแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไงธรรมะเนี่ยให้คนอื่นเราได้ด้วยเรายิ่งแบ่งคนอื่นเรายิ่งได้ด้วยทําให้จิตใจเนี่ยน้อมไปในการแบ่งปันน้อมไปในการที่จะเรียกคนอื่นเข้ามาดูมาพิสูจน์ เทียนเรามีเล่ม1เทียนของเขามีเล่มหนึ่งเฮ้ยแต่ฉันมีไฟจุดอยู่ตรงนี้ฉันต่อเทียนให้เขาเอาสอดวงสว่างขึ้นเทียนของเราก็ไม่ได้ลดเอามีอีกคนหนึ่งมาเขาก็มีเทียนเล่มหนึ่งของเขาแต่ยังไม่มีไฟติดเอาเราแบ่งไฟให้ก็เป็นดวงหนึ่งกันมาเป็น3ดวงขึ้นมาก็สว่างมากขึ้นแต่ว่าเทียนของเราก็ไม่ได้ลดอีกคนหนึ่งมาแบ่งให้เขาก็สว่างขึ้นของเราก็ไม่ได้ลดลงตัวนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเอหิปัสสิโก คืออยากจะเชิญชวนคนอื่นเข้ามารู้มาพิสูจน์เพราะว่ามันแบ่งกันได้ไม่มีหมดยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งได้ข้อถัดมาคือสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวสัพ์เดิมเขาเรียกว่าโอปัญญโกแล้วคือมันดีอะาำฝั ง, งมันดีมันควรจะต้องเอามาทําเอามาทําเอามาปฏิบัติเอามาน้อมเข้าสู่ใจให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นไหนไหนอาจจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภค การประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นสมาธิขั้นต่างๆการอยู่หลีกเล่นการเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะการเป็นผู้สํารวมอินทรีย์ธรรมะแต่ละอย่างแต่ละข้อโพชง7มักแปเรื่องใดๆก็แล้วแต่แต่ศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นข น, นี้เป็นสิ่งที่ควรเอามาทําเอามาปฏิบัติเอามาส่งไว้ในใจเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในตู้ปฏิบัติบิดกหรือว่าอยู่ตามหนังสือคือถ้าเขาอยู่ตรงนั้นก็ดีของเขาอยู่แล้ว แล้วความดีตรงนั้นจะยิ่งดีมากขึ้นถ้าเอามาน้อมเข้าสู่ตัวเราเอามาทําเอามาปฏิบัติเราก็จะดีขึ้นคนที่ทําที่ปฏิบัตินั้นก็จะดีขึ้นนี่จึงเป็นคน Somehow, ุณสมบัติที่ว่าควรทําควรปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนระดับไห น, นชั้นไหนเป็นขั้นเป็นตอนไปลึกซึ้งละเอียดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเราทําตรงไหนยังไม่ได้เราก็ทําตรงที่เราทําได้ก่อนตรงที่ยังไม่ได้ก็ค่อยๆทําไปมันก็จะมีความลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนไป บางคนอาจจะยังไม่ได้สมาธิบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นการปล่อยวางได้เอาคุณทำเรื่องศีลได้คุณก็ทําไปเอาสิ่งที่เราน้อมเข้ามาได้เอามาทำเอามาปฏิบัติก่อนตรงนี้ก็จะมีความลึกซึ้งละเอียดยิ่งขึ้นไปจึงเป็นจุดที่ต้องมีข้อที่หตรงนี้ที่พุทธาพูดถึงว่าปัจจตังเวทิตพโพวินยุหิคือวินยุชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนแต่คำว่าวินยุชนเนี่ยก็คือผู้ที่รู้แล้วผู้ที่ทําได้แล้วผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วเนี่ย จะมีความรู้ความแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีว่าธรรมะเหล่าใดที่เราเคยฟังแล้วในการกร่อนในบัด น, นี้เราถูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และแทงตลอดธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่ด้วยนี่เป็นปุถุพจน์ที่ได้ตรัสกรกัตน์พระชารีบุตรเไว้ว่าใครก็ตามที่ตั้งไว้แล้วด้วยความเพียรหรือลึกแล้วด้วยสติตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิรู้ชั้นแล้วด้วยปัญญานี่ เขาจะมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าธรรมะเราใดที่เราฟังมาแล้วเคยเรียนมาแล้วเคยอา่านมาแล้วในการก่อนเนี่ยบัดนี้มัถูกต้องธรรมะนั้นเหล่านั้นด้วยใจของเราแล้วแต่จะมีความมั่นใจเป็นปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นคนที่รู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวินยูชนเป็นสิ่งที่วินยูชนรู้ได้เฉพาะตนอันอยศตัวอย่างเช่นว่าพระา บ, บอกว่าตัวพระองค์เนี่ย เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าใช่ไหมสัปดาห์ที่ลาทิการะชาพูดถึงแต่เวลาที่ฝึกเสร็จออกมาแล้วเนี่ยแหมมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแต่นคนที่ฝึกเสร็จแล้วเป็นวินยูชนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าจริงๆมันสุดยอดจริงๆริงแต่มันจะเรียกว่าไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยแต่ว่าคนที่ยังฝึกไม่เสร็จก็อาจจะยังไม่รู้นะตัวนี้ก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่เป็นวินยูชนข้อนี้มันจะต่างกับสันทิติโก้แคือสันทิติโกเนี่ยคุณอาจจะบรรลุขั้นใดข ยังไม่ถึงระดับที่เป็นวินยูชนแต่ว่าเราก็รู้ได้เองแต่เชว่าถ้ามีภาษาต้องมีเวทนาแหละอันนี้เราทราบต่อให้คุณยังไม่บรรลุเป็นอริยสาวกขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามแต่เป็นปุจฌนคนธรรมดาก็จะรู้แต่ถ้าเรารักษาสีเราก็จะมีความสบายใจอันนี้คนธรรมดาก็รู้ได้แต่ไอปัจจตังเวทิตโภวินยูหีเนี่ยคือเป็นวินยูชนจะรู้อีนยยัยหนึ่งของเรื่องที่เป็นปัจจตังเนี่ยก็คือว่ารู้ได้เฉพาะคนที่ฉลาดคือคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่รู้ คนที่ไม่ฉลาดก็จะไม่สนใจพระเช้าเคยตรัสไว้ที่ใต้ต้นใจธรามฟังที่บอกว่าสัตยุกเนี่ยถูกกลุ่มมืดคื่อวิชาห่อหุ้มไว่มากมีความอาลัยเป็นที่ยินดีินในความอาลัยอย่างยิ่งยากนักที่จะเห็นธรรมะต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าคนที่เขายังหนาอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่ยังมีเครื่องร้ายรัดมากอยู่การที่เขาจะมาเข้าใจธรรมะก็จะไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่จะเข้าใจได้เฉพาะคนที่ฉลาดฉลาด วิญญาชนตรงนี้ก็คือหมายถึงคนที่มีปัญญาทั่วไปด้วยคนที่จะรู้ <c oughs> เห็นคุณค่าตรงนี้ได้เฉพาะคนที่ฉลาดมีปัญญาพอสมควรแต่คนที่จะฉลาดมีปัญญาพอสมควรตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีศรัทธาพวกนี้ถึงจะได้ว่าเป็นผู้ที่พอจะมีปัญญาฉลาดพอที่จะรู้ตามธรรมะของพระเจ้าตรงนี้ได้นี่คือลักษณะของธรรมะท่ผู้ฟังเรียกว่าเป็นธรรมคุณเป็นคุณสมบัติของธรรมะเราระลึกถึงคุณสมบัติของธรรมะ ที่เป็นคุณงามความดีเราเลึกถึงตรงนี้เป็นที่ตั้งของสติก็ได้หรือว่าเป็นธรรมานุสติก็ได้พอเราฟังแล้วแล้วก็ให้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นรู้ในความหมายรู้ในบทเพลงชนะรู้ในในัยยะต่างๆพอรู้ทั่วถึงแล้วก็ให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นพอปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้แล้วแม่เราจะรู้ทันทีและตจำฟังว่าธรรมานี่มันดียังไงเพราะความที่แห่งธรรมาเป็นธรรมันดี เราก็จะชักชวนคุนอื่นให้มาพิสูจน์เราก็จะรู้ได้เฉพาะตนแต่ประนั้นไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเท่านังฟังแล้วให้มันรู้ถึงใจก็ไม่ใช่แค่รู้ถึงใจอย่างเดียวด้วยทรามฟังเอาให้มันปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าถึงคุณธรรมความดีความงามของธรรมะได้อย่างยิ่งทีเดีย ว, ลวหละประการหนึ่งทธรรมฟังเราสามารถใช้คุณสมบัติของธรรมะทั้ง6ข้อนี้ในการที่จะตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราไปรู้สิ่งที่เรารับมาสิ่งที่เราฟังมาเนี่ย เป็นธรรมะหรือไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเอา้าหนังสือมาเล่มนึงแต่หนังสือเขาเขียนว่าอย่างนี้นๆแต่เราก็พิจารณาดูว่าเฮ้ข้อความที่เขาเขียนอย่างนี้นเนี่ยมีกฎบัติของธรรมะหอย่างนี้ไหมแต่ถ้าหนังสือนั้นเขาบอกว่าเออคุณไปบนบานสารกล่าวตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้สิน่าจะดีปีนี้ปีชงปีนี้ปีไม่ชงเอ้ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ประกอบด้วยการนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นปีนั้นแล้วก็ปีโน้น แต่ธรรมของพระเจ้าไม่ประกอบด้วยการแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะมันไม่มีคุณสมบัติตรงนั้นแต่ถ้าพวกเราดูดีๆอ๋อเขาพูดถึงความเสื่อมไปของการมีความสุขการมีความทุกข์การได้ลาบการเสื่อมลาบเอออันนี้มันไม่ประกอบด้วยการเพราะว่ามันดีก็มีไม่ดีก็มีเอาเขาเอาพระเครื่องมาให้เราแต่มีพราเครื่องพิมพ์นั่นแบบนี้เอ๋พิจารณาดูแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมะหรือไม่อาจจะเรียกคนเดินมาดูได้ แต่มันก็ต้องไม่ประกอบด้วยการด้วยนะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอยู่พร้อมด้วยแต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีพวกพระเครื่องตรงนี้ฮ่เออแสดงว่าส่วนที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็มีแต่ถ้าบอกว่าเรามองแล้วดูแล้วคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เออการระลึกถึงพระเจ้าตรงนั้นนั่นก็เป็นพุทธคุณนะคุณระลึกถึงพระเจ้าแล้วก็นึกถึงพระธรรมด้วยอันนั้นก็เป็นพระธรรมฮ่เออตรงนี้ก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมะได้หรื อ, อยังเข้าวอาข้าวขาบทได้บทหนึ่งมา คาถานี้บอกเป็นคาถาเงินล้านเป็นคาถาไม่จนไอ้คาถาเงินล้านล้านหนึ่งหน่วยเงินประเภทประเทศไหนละ่ะถ้าล้านกีบเออมันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ล้านบาทก็ไม่มากเท่าไหร่ด้วยสมัยนี้ถ้าอีก10ปีข้างหน้าเงิน1ล้านบาทอาจจะเท่ากับไม่กี่หมื่นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังประกอบด้วยเวลาอยู่ประกอบด้วยสถานที่อยู่อ่าแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะ ล, ละแต่ถ้าเราจะมองให้เห็นธรรมะในสิ่งนี้ เช่นคนที่จะมีโพคาซั์ก็ต้องมีความขยันกันแข็งคนที่จะมีโพคาซั์ก็ต้องมีศีลคนจะมีโพคาซั์ก็ต้องมีการให้ทานอย่างนี้การให้ทานการรักษาศีลเออนี้ไม่ประกอบด้วยการทําที่ไหนดีตรงนั้นเออนี่ก็เป็นธรรมะได้เราสามารถใช้คุณสมบัติของธรรมะตรงนี้ในการจะตรวจสอบได้ทุกอย่างว่าสิ่งที่เรารู้มาเห็นมาสิ่งนั้นรับมานี่เป็นธรรมะหรือไม่มีธรรมะอยู่ในสิ่งนั้นหรือไม่ ในคุณสมบัติของธรรมะทั้งหกอย่างนี้แล้ว ก, ก็พูดคร่าวๆเพื่อที่ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นเราจะรู้ถึงคุณของธรรมะจริงๆ mm. ก็เมื่อเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นธรรมะที่อยู่ภายนอกที่เราเห็นเป็นหนังสือเป็นสมุดครอยเป็นใบรานเป็นแผ่นซีดีบ้างอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอยู่ตามชัน้นหนังสือเข้าขายอยู่ตามร้านหนังสือต่างๆอันนี้ก็เป็นธรรมะก็ดีอยู่ เปสิ่งที่เป็นอยู่ภายนอกอันนั้นก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเผาทําลายถูกปลวกเจาะกินถูกการเวลาทําให้มันเสื่อมสูญไป น, นี้ก็มีความเสี่ยงความอันตรายตรง น, นี้มันก็จะไม่ดีเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นก็นําเอามาฟังเอามาใคล้ครวนเอามาทรงจำมาไว้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเอาซีดีนั้นมาฟังเอามาฟังใคล้ครวนทรงจําไว้ให้ได้ อนนก็ดีในระดับหนึ่งแต่ประเดี๋ยวความจําความรู้ที่เราเรียนมารู้มาเนี่ยถ้าเบืเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นงูพิษได้แต่เราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นเราก็เอามาเข้าสู่ใจของเราเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในระดับที่3คือเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจทําให้ใจนั้นเป็นใจที่มีธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นั่นคือเข้าสู่ใจนั่นเองธรรมะที่อยู่ตามหนังสือตามตู้พระติวิศก เป็นระดับที่1ระดับที่อยู่ข้างนอกธรรมะที่เข้ามาอยู่ในสมองเป็นความรู้ความทรงจําของเราก็ละเอียดขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกแต่เป็นระดับที่สองที่ดีขึ้นมาอีกและที่ดีที่สุดเลยทัาา้งหมดกคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราธรรมะที่อยู่ในใจซึมทราบเข้าไปในใจิตใจของผู้ใดแล้วเราจะรู้ถึงคุณธรรมของธรรมานั้นเราจะรู้เลยว่าพระธรรมเป็นสวากขาตะ คือเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วจริงๆข้าพเจ้าพระหมหาภัยบณ์อภิปุนโนจรินพาน